บทที่เก้าอุปทานคือกิเลยยึดมั่นกล่าวคือจับไว้ไม่ปล่อยอุปทานมีสี่ประการคือกามุปาทานทิฏฐุปาทานศิลพตุปาทานและอัตวาทุปาทานพรามและขหาบดีทั้งหลายสมณพราหม์บางพวกมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า ทานที่ให้แล้วไม่มีผลมหาทานที่บูชาแล้วไม่มีผลทานที่ต้อนรับแขกก็ไม่มีผลพลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วก็ไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีมารดาไม่มีคุณบิดาไม่มีคุณโอปปปาติกะสัต์ก็ไม่มีสมณพราหมู้ประพฤติปฏิบัติชอบ ทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งก็ไม่มีในโลกพรามและขหาบดีทั้งหลายในบรรดาสมณพราหมณ์สองจำพวกนั้นสมณพราหมณ์เหล่าใดผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าทานที่ให้แล้วมีผลสมณพราหมณ์เหล่าใด ผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าทานที่ให้แล้วมีผลสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบทําให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนให้ผู้อื่นรู้แจ้งมีอยู่ในโลกสมณพราหมณ์เหล่านั้นพึงหวังข้อนี้ได้คือจักเว้นอกุศลกรรมสามประการนี้ได้แก่ กายทุจริตวจีทุจริตและมโนโทุจริตจะสมาทานกุศลธรรมสามประการนี้ได้แก่กายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตแล้วประพฤติอยู่เราให้ทานที่สมควรให้รักษาศีลโดยสิ้นเชิงบำเพ็ญบารมีที่ออกจากกรรมคุณแล้ว ได้บรรลุสัมโพธิญาณอันสูงสุดปุณณนะกรรมสีประการนี้เราทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วจึงประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามกรรมสีประการอะไรบ้างคือหนึ่งกรรมดำมีวิบากดําสองกรรมขาวมีวิบากขาวสาม กรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาวสกรรมทั้งไม่ดำไม่ขาวมีวิบากทั้งไม่ดำและไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมถามว่าขึ้นชื่อว่าซากศพที่สามารถลุกขึ้นพูดว่าผู้มีอายุเรารู้หาม่ไม่แต่ซากศพนี้พูดได้อย่างไร ตอบว่าซากศพพูดได้ด้วยพุทธานุภาพดังสดับมาว่าพระผู้มีพระภาคนำโกรักัติยะมาจากกำเนิดอสุรกายแล้วให้สิงในสรีระจึงให้พูดได้หรือยังทรงสรีระนั้นนั่นแหละให้พูดได้เพราะพุทธวิสัยเป็นสิ่งที่บุคคลคาดคะเนไม่ได้ มีสมณพราหมณ์บางพวกถือความหมดจดด้วยวัดสมณพราหมณ์เหล่านั้นเป็นผู้ประพฤติวัดเยี่ยงช้างบ้างประพฤติวัดเยี่ยงม้าบ้างประพฤติวัดเยี่ยงโคบ้างประพฤติวัดเยี่ยงสุนัขบ้างประพฤติวัดเยี่ยงกาบ้างบูชาเท้าวาสุเทพบ้างบูชาเท้าพลเทพ พระนารายณ์บ้างบูชาท้าปุณณพับ้างบูชาท้ามณีพัทบ้างบูชาไฟบ้างบูชานาคบ้างบูชาครุฑบ้างบูชายักษ์บ้างบูชาอสูรบ้างบูชาคนทันบ้างบูชาท้ามหาราชบ้างบูชาพระจันทร์บ้างบูชาพระอาทิตย์บ้าง บูชาพระอิน์บ้างบูชาพระพรหมบ้างบูชาเทพบ้างบูชาทิศบ้างสมณพราหม์เหล่านี้ชื่อว่าผู้ถือความหมดจดด้วยวัดสมณพราหมณ์เหล่านั้นถือความหมดจดคือความสะอาดความบริสุทธิ์ความหลุดไปความพ้นไปความหลุดพ้นไปด้วยวัดตนเป็นผู้ชนะวัตรทุกข์ทั้งปวงแล้ว โลกียศีละฌานอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งบุคคลบำเพ็ญแล้วด้วยความยึดมั่นว่าเป็นทางแห่งความหมดจดพระอัตกตาจา์ประสงค์เอาว่าเป็นศีลพรสในที่นี้ฉะนั้นจึงกล่าวว่าอิทางศีลปตังนามะข้อนี้ชื่อว่าศีลพรสเป็นต้นภิกษุทั้งหลาย ได้ยินว่าอุทธกาดาบทรามบทกล่าววาจาอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ที่บรรลุปัญญาแน่นอนเราเป็นผู้ชนะวัตถุทุกทั้งปวงแน่นอนรากเง่าแห่งทุกข์ที่ใครใคขุดไม่ได้เราขุดได้แล้วแน่นอนอุทธกาดาบทรามบทยังเป็นผู้ไม่ได้บรรลุปัญญาแต่กล่าวว่าเราเป็นผู้บรรลุปัญญา ยังเป็นผู้ไม่ชนะวัตถุทุกทั้งปวงแต่กล่าวว่าเราชนะวัตถุทุกทั้งปวงยังขุดรากเหง้าแห่งทุกข์ไม่ได้แต่กล่าวว่าเราขุดรากเหง้าแห่งทุกข์ได้แล้ว